ตอบได้ไหมเราศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยมุ่งไปสู่อะไรอะไรเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ใครตอบในใจตรงแบบนี้มีไหมยกสิยกคใครตอบอย่างอื่นยกสิ เยอะกว่าเราปฏิบัตินะแทบเป็นแทบตายเพื่อจะพ้นทุกข์นั่นแหละเบื้องต้นนะเราพ้นทุกข์เบื้องปลายเนี่ยเราดับทุกข์เมื่อไรที่ใจเราหมดกิเลสเราพ้นจากทุกข์ทุกข์คืออะไรนึกถึงคำตอบที่ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้าใครตอบตรงนี้บ้าง ทันทีที่เป็นพระอรหันต์เราพ้นทุกข์คือใจนี้มันพลากออกจากขันห้ามันไม่ยึดขันห้าแล้วก็มันไม่ยึดอะไรในเราอีกเพราะขันห้านะเป็นของที่ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดละตอนเป็นพระโซดานะเราล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยในขันห้าก็ไม่มีที่อื่นก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าขันห้าเป็นเรา พระโสดาล้างตัวนี้ได้พอถึงขั้นเป็นพระอราหันตะ์ท่านเห็นแจ้งแนละ้วขันห้านี้เป็นตัวทุกข์จิตของท่านนะสลัดคืนขันห้าให้โลกไปขันธาตุอายตนะอะไรนะี้คืนให้โลกไปใจที่เข้าถึงความสะอาดหมดจดนะนะมีธรรมะเต็มหัวใจมีความสุขมาก ใจนั้นส่งพรนิพพานมีความสุขอยู่เวลาทําธุระทางโลกนะี่ยก็มีสมมุติปัญญัดขึ้นมาเวลาไม่มีธุระกับโลกก็อยู่กับพระนิพพานมีความสุขมันพ้นทุกข์ว่าใจมันพ้นจากขันไม่เข้าไปเกาะขันถ้าจิตของเราเข้าไปยึดไปถืออะไรนะเราก็จะทุกข์ อย่างเวลาพวกเราหัดภาวนาเบื้องต้นเนี่ยพวกเราเห็นใช่ไจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทันทีที่จิตไปจับอารมณ์แล้วรู้สึกทุกข์ไหมมันจะหนักหนักแน่นๆขึ้นมานะมีภาระขึ้นมาที่ต้องจัดการต้องดูแลพอจิตสลัดอารมณ์ออกจิตมีความสุขสบายขึ้นคิดดูนะว่าถ้ามันสลัดขันได้ไม่ใช่แค่สลัดอารมณ์ที่แปลปลอมมันสลัดขันออกไปได้มันจะมีความสุขขนาดไหน ใครเคยเห็นจิตที่ปล่อยอารมณ์บ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสิที่เห็นจิตที่ปล่อยอารมณ์ออกไปรู้สึกไหมมันสบายกว่ากันสบายกว่าจิตที่เข้าไปจับอารมณ์เอาไว้อันนั้นแค่อารมณ์นะถ้าปล่อยขันมันจะขนาดไหนถ้าจิตปล่อยขันได้นะมันสุขปังตายไม่ใช่ทุกปังตายนะมันสุขปังตายเลยบางคนถึงตายเลยพระเจ้ามิลิน ไปถามพระนากขาเสนว่าจริงหรือที่ว่าถ้าบรรลุพระอรหันตนะ์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นเนี่ยจะตายวันเดียวนั่นแหละจะตายเลยจริงหรือพระนาคขาเสนบอกว่าจริงพญามิลินเนี่ยเขไปถามเพื่อจะจับผิดนะถ้าหาตโต้โต้แย้งแบบพวกกรีฑา เ, เขาก็แยบเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอรหันตมรุษเนี่ยก็เป็นฆาตกร ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกอรหัตมรักษ์ทให้คนตายยังเป็นของเลวมากพระนากเษนแต่ว่าไม่ใช่มันดีมากเกินไปดีจนกระทั่งธาตุขันของฆราวาสอะไรเนี้ยรองรับไม่ไหวใช่ว่างั้นนะมันสุกปังตายแต่ถ้ายังไม่อยากตายนะยังรู้สึกอยากทําประโยชน์อะไรเนี้ยถึงอยู่ในเพศฆราวาสก็อยู่ได้ อันนี้ไม่ใช่พระนักเกษมบอกอันนี้หลวงปู่ดูลบอกมีคนหนึ่งไปถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ครับถ้าเป็นพระละหันมาเนี่ยแล้วไม่ได้บวชจะต้องตายในวันนั้นหรือหลวงปู่ตอบได้คมมากเลยก็เก๋มากเลยตำราว่าไว้อย่างนั้นรายนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับ หลวงปู่บอกว่าพระอรหันต์นะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าท่านไม่มีอะไรอยู่แล้วนะมันไม่มีคำว่าคลาวาดไม่มีคำว่านักบวชอะไรหรอกนะแต่ว่าอย่างคนที่ไม่ได้บวชนะมันรู้พระอรหันต์แล้วไม่ได้คิดจะบวชอะไรเงี้ยคิดไม่ได้คิดจะทำงานต่อนะใจมันก็จะน้มน้อมไปสู่พระนิพพานเรื่องอะไรต้องจมกองทุกข์อยู่ นะพวกเรารู้สึกว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นี่เป็นของดีของวิเศษแต่ในสายตาของพระอรหันตน์การมีธาตุมีขันอยู่นี่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะธาตุขันนี่แหละคือตัวทุกข์จิตของท่านพ้นไปแล้วนะแต่ท่านยังต้องแบกภาระในการบริหารร่างกายอยู่นะดูแลร่างกายอยู่นะก็เป็นภาระถ้าท่านไม่ได้มีธุระไม่ได้มีปณิธานอะไ ร, นะรก็ทิ้งไปเลย ก็หมดภาระราไปเลยถ้าเข้าสู่ความดับทุกตอนบรรลุพระอ ร, ร, ะราหันต์นั้นพ้นทุกเพราะว่าจิตไม่เข้าไปหยิบฉวยเอาธาตุขันขึ้นมาเป็นตัวกูของกูอีกแล้วไม่เข้ามาครอบครองธาตุขันวันที่ธาตุขันแตกดับเรียกว่าดับทุกทำไมเรียกว่าดับทุกก็ขันมันดับขันนั่นแหละตัวทุกถึงเรียกว่าดับทุกนี่พวกเราถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเรา ฟังอย่างนี้นะบางคนใจฟอเลยโอภาวนาแทบตายเพื่อจะตายไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อจะตายเพื่อจะนิพพานตายกับนิพพานมันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยของพวกเราตายเนี่ยธาตุขันมันทุกทรมานมากนะมันแตกดับไปเดี๋ยวมันก็คว้าเอาก้อนทุกข์อันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ทุกข์สุดขีดนะจนธาตุขันแตกดับอีกแล้วก็ไปคว้าเอาธาตุขันใหม่ขึ้นมาต้อมาทุกข์จนสุดขีดอีก ของเราทุกแล้วทุกอีกนะทุกคราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราถูกประหารชีวิตทุกครั้งไปต้องถูกฆ่าตายทุกครั้งไปเวลาจะตายบางคนทุกข์มากเลยกว่าจะตายทรมานมากแต่ตายแล้วก็ลืมนะไปเกิดใหม่ก็ชอบอีกชอบอีกมีธาตุมีขันก็ไม่ชอบอีกนี่เพราะอะไรไม่เคยเห็นความจริงว่าธาตุขันนี่เป็นตัวทุกข์ เห็นว่าธาตุขันนี่เป็นของดีของวิเศษเป็นของน่ารักน่าหวงแหนเวลามันเจ็บหนักจะตายอะไรนะก็แปบ๊บเดียวก็ลืมไปแล้วนะตายแล้วก็ลืมกลับมาชอบใหม่ถ้าเรามาเจริญสติเจริญปัญญาแก่กล้านะาจะรู้เลยว่ามันทุกข์มากเลยในการที่จิตต้องมาคลองธาตุของขันอยู่แต่ถ้ามาสติปัญญาไม่พอก็ไม่เห็นนะ แค่รู้สึกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าพวกหลงโลกเลยก็คิดแต่ว่ามีแต่ความสุขขนาดพวกเราไม่ใช่พวกหลงโลกเราก็จะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมร่างกายมีความทุกข์อยู่ด้วยไม่ใช่มีแต่สุขล้นล้นเห็นไหมอย่างนี้นี่พวกเรามีบุญบารมีพอนะเราถึงเห็นอย่างนี้ไอ้พวกหลงโลกไม่เคยรู้สึกเลย พวกเรารู้สึกไม่ในจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขไม่ใช่สุขล้วนๆนี่ก็คนพอมีบุญนะมีบุญอยู่บ้างถึงจะเห็นได้แต่พวกหลงโลกก็ไม่เห็นเลยว่ามีความทุกข์แอบเข้ามาอยู่ในใจมันหลงโลกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามาหาทานภาวาให้จริงจังขึ้นแก่กล้าขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยน แต่ตอนนี้เราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้ามามีสติเราตามระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ได้จิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่เป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสติระลึกรู้ till, ร, ร่างกายที่เคลื่อนไหวมีสติระลึกรู้จิตใจที่เคลื่อนไหวระลึกไปเรื่อย ถึงจุดหนึ่งนะปัญญาจะเกิดจะเห็นเลยว่าในร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีไม่ทุกข์ในจิตใจนี่ก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ไม่มีหรอกไม่ทุกข์นะงั้นจะรู้แจ่ ม, แ จ, มแจ้งขึ้นมาเลยว่านอกจากทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรูปธปรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวทุกข์ทั้งสิ้นเลย จะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนั้นความดับทุกข์นี่นะพระอรหันต์เวลาจะปรินิพพานเนี่ยขีดใจร่าเริงเบิกบานนะจะผ่องใสเป็นพิเศษท่านจะผ่องใสสุดขีดนะตอนที่บรรลุพระอรหันต์ทีหนึ่ง อย่าพระพุทธเจ้าเราวันที่บรรลุพระอรหันต์นะก็ผ่องใสามากวันที่จะปรินิพพานก็ผ่องใสามากะพราวันที่บรบรลุพระอรหันต์นะท่านผลทุกพ้นทุกเนี่ยเรียกว่าสัุปาทิเสสนิพพานสอุปาทิสสาอุปา ท, ปาทิตัวขันนี่เองเรียกว่าอุปาทิสอุปาทิคือยังมีขันเหลือนิพพานที่ยังมีขันเหลือนิพพานกิเลส ท่านก็ร่าเริงเบิกบานท่านพ้นกิเลสไปสัมผัสพนานิพานวันที่ธาตุขันแตกดับเนี่ยอนุปาทิเสสะอนอุปาทิไม่มีขันเหลือท่านก็ร่าเริงเบิกบานพวกเราถ้าจะตายจะร่าเริงไหมคงหงอยเลยเนาะเสียดายโถเพิ่งอยู่มาได้แปดสิปีเองจะตายแล้วน อยู่นานแค่ไหนก็ไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเพราะอะไรความตายนี่นำความสูญเสียมาให้เสียอะไรเสียร่างกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียกระทั่งชื่อเสียงเดิมชื่อนี้ต้องไปเกิดใหม่มีชื่อใหม่แล้วอยากใช้นามสกุลเดิมเขาก็ไม่ให้ใช้ละสูญเสียสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียครอบครัวญาติมิตรสูญเสีย ชื่อเสียงเกียตรติยศหน้าที่การงา น, เ, นเรารู้สึกถึงความสูญเสียแล้วเราภาวนาให้มากจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์มันจะดับว่าตัวทุกข์มันจะแตกตัวทุกข์มันจะดับจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยมีแต่เรื่องร่าเริงเป็นเรื่องสิริมงคลมากเลยไม่ใช่เรื่องที่ต้องหน่อยๆ<ม>ค่อยฝึกนะฝึกเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันเรื่อยไป คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจนานไปก็จะเห็นนะร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายจิตใจไม่ใช่เราแล้วเป็นพระโสดาต่อไปมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะจะเป็นพระละหันนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่กทำกิจของอริยสัย์เสร็จ รู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไร่รู้ทุกข์แจมแจ้งจะล่าสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรล่าสมุทัยอัตโนมัตินะจะแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานอัตโนมัติเมื่อไหรแจ้งพระนิพพานอัตโนมัติตัางนั้นอริยมรรคอรหัตมรรกก็เกิดในขณะนั้นเงั้นหน้าที่ต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะทําเสร็จในขณะจิตเดียวไม่ใช่สองขณะจิตจิตทั้ง4ี่ในอริยสัจ ทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญงานสี่อย่างคือ<ม>รู้ทุกขละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเสร็จในขณะจิตเดียวกันความอัศจรรย์ของธรรมะอัศจรรย์มากบางท่านมีสาวเอฟเฟกโลกธาตุสะเทือนเลื่อนลัน่นหวั่นไหวอ<ม>นะไรย เทวดาแท้ซ้องสาธุการบางท่านมีฟ้าผ่าอะไรนี้นะแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินไหวอะไรอย่างงี้อันนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเจ ต, ตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่สาวเอฟเฟกต์หรือแสงสีอะไรทั้งหลายตัวสำคัญอยู่ที่ล้างกิเลสออกจากใจได้ขาดสบั้นออกไปจากใจได้ต้องฝึกนะ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 ที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆคอยดูกายดูใจทํางานบ่อยๆนะ <_ c 1> ต, ต่อไปพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายนะสติจ ะ, ะระลึกรู้ขึ้นอัตโนมัติมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจสติจ ะ, ะระลึกรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติสตินั้นมีลักษณะเป็นสภาพธรรมที่ทําหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ สติจะทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีกุศลเจริญทันทีนะเพราะฉะนั้นะจิตใจที่เกิดสติขึ้นมาเนี่ยจิตใจได้รับความคุ้มครองจากสติอกุศลดับกุศลเกิดนะอะไรทําให้สติเกิดการที่จิตจําสภาวะได้แม่นทําให้เกิดสติ างานหน้าที่ของเราแต่ละวันนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจจนจิตมันจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายได้แม่นยําแล้วสติเกิดเองอย่างเราคอยหัดรู้ใจของเราเนะีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คอยหัดรู้ความรู้สึกในใจบ่อยๆนะต่อไปพอจิตมันมีสติอัตโนมัติแล้วเนี่ย พอกิเลสเกิดในใจแว บ, บเดียวนะสติระลึกได้เลยว่าอโหลดแล้วนะจะระลึกขึ้นได้เองนะงั้นเราต้องมาฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆหรือหายใจออกคอยรู้สึกตัวหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวแต่ไปพอเราเผลอลืมเนื้อลืมตัวนะกิเลสเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวอย่างราคะเกิดนะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะโทสะเกิดลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะยิ่งโกรธมากหายใจแรงใช่ไหม ราคามากหายใจแรงอะไรอาจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวสติะระลึกได้อัตโนมัติเลยมันะระลึกขึ้นได้เองนะงั้นเราต้องคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายทํางานดูใจทํางานให้มากๆากแล้ววันหนึ่งสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาให้มีสติและสตินั้นเอาไปรู้เรื่องอย่างอื่นก็ได้นะไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานเนี่ยสตินั้นต้องมาะระลึกรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามของเรานะ สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมเรียกว่ารูปส่วนที่เป็นนมามธรรมเรียกย่อๆว่านามที่ว่าเรียกรูปนามอะไรเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวที่จริงก็คือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมันมีทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมรูปธรรมก็ส่วนของร่างกายนี่น DE เป็นรูปธรรมสัมผัสจับต้องได้อะไรได้ส่วนของนมามธรรมเป็นความรู้สึกทางใจไม่มีรูปร่างอะไรความโกรธไม่มีรูปร่างอะไร ความรักไม่มีรูปร่างอะไรนะให้มีสติคอยรูร้ละเกอยู่ที่กายที่ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจไปคําว่ารู้ก็มีความหมายคําว่ารู้หมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีการดัดแปลงเห็นไหมท้ายคำที่หลวงพ่อย่อลงมาหนึ่งประโยคนี่นะครอบคลุมหลักของการปฏิบัติไว้มากมายมหาศาลเลยมีสติ สติเป็นยังไงจนกระทั่งสติเกิดได้ไงสติไปทำหน้าที่อะไรสติจะทำหน้าที่รู้นะรู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ใช่เพ่งรู้ก็คือรู้นะร่างกายเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ของสติตัวจริงรู้เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะแล้วก็ไม่ใช่คิดเอาแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงคํคำว่ารู้เนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะ รู้หลวงพ่อใช้คำว่ามีสติรู้กายรู้ใจมตามความเป็นจริงเราไม่ใช่รู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆแต่เราต้องรู้เข้าไปเจอกระทั่งเห็นความเป็นจริงของกายของใจคือรู้มีสติรู้ลงไปนะจอกระทั่งมีปัญญาเนี่เห็นไตรลักษณ์เห็นว่าร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์จิตใจของเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ สติเป็นตัวรู้กายเป็นสติเป็นตัวรู้ใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวทําหน้านที่ต่างกันสติเป็นตัวรู้ทันเท่านั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นร่วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เพราะฉนั้นเบื้องต้นเราก็มีสติรู้กายรู้ใจไปนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นความจริงของกายของใจ ตัวที่ไปเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าตัวปัญญานี่จะเป็นตัวปัญญาตัวเข้าใจอ๋อร่างกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายนี้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสิ่งที่ดูง่ายที่สุดสําหรับกายคือความเป็นทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทั้งหมดเลย เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่งนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินนั่นเดินนานๆก็ทุกข์อีกนะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปนอนนอนนานๆก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอีกในร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติอยู่ที่กายเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์เนี่ยเด่นชัดขึ้นมา สุดท้ามันก็จะหมดความรักใคร่ยึดถือในกายนะถ้าไม่รักใคร่ยึดถือในกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามนะีมาดูที่จิตที่ใจนะในความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตใจนี้จะแสดงความเป็นอนิจจงและความเป็นอนัตตาได้ชัดนะอนิจจนะ์คือมีขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างความโกรธมีขึ้นมาแล้วก็หายไปความโลภมีขึ้นมาแล้วก็หายไปได้ ความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์เนี่ยนำมาทําทั้งหลายนะมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูได้อย่างรวดเร็วนะไม่เหมือนร่างกายนะร่างกายจะดูความไม่เที่ยงดูยากนะแต่ว่าทางจิตใจเนี่ยดูความไม่เที่ยงเนีเร็วมากเลยเพราะใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเ้ารู้ลงไปนะจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งบางคนจะเห็นอีกมุมหนึ่งว่า จิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะตั้งใจจะไม่โกรธมันก็ยังโกรธอีกตั้งใจว่าจะไม่เผลอเคยั้มตั้งใจจะไม่เผลอแล้วก็เผลออีกหละใครเคยตั้งใจไม่เผลอแล้วเผลอบ้างมีไหมพวกไม่ยกมือคือพวกไม่พูดความจริงเท่านั้นแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละตั้งใจไว้เสร็จแล้วก็บังคับไม่ได้ บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยคือคําวนะ่าอนัตตางั้นเวลาที่เรามีมสติรู้กายรู้ใจนะถ้าเรามีสติรู้กายมากๆเราเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์ถ้มีสติรู้นามธรรมต่างๆมากๆนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เมื่อเราเห็นความจริงนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้มันมีเงื่อนไขมีประโยคที่อยู่ในวงเล็บนะ ว่าต้องรูดงรด้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลวงพ่อใช้คําว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริ ง, ร ง, รงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคีย์เวิร์ดในการปฏิบัติจริงๆคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความจริงคือเห็นไตรักแล้วก็วงเล็บนีด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นความจริงไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌาน ไม่ใช่สมาธิชนิดอารามโนพนิชานะอาระมะว่าอารมณ์อารมณ์ DANIEL. แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่คู่กับอารมณ์คือจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้เป็นของคู่กันนั้นสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่1เรียกอารามโนพนิชานจิตนี้เคลื่ อ, อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ไปตั้งนิ่งอยู่ที่อารมณ์จิต However, เป็น1อารมณ์เป็น1 ได้สมถะนะแล้วก็ใช้ทํางานทางโลกลก็ใช้ทําสมถกรรมาฐานสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะจิตกับอารมณ์ก็คู่กันสมาธิอันหนึ่งจิตไปอยู่ที่อารมณ์สมาธิอีกอันหนึ่งจิตไม่ไปไหนเลยจิตอยู่กับตัวเองจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองเรียกลักขณูปนิชฌานนะลักขณปนิชานเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างใช้ทํำวิปัสสนากรรมฐานใช้ในขณะที่เกิดอริยมรรคใช้ในขณะที่เกิดอริยผล ใช้สำหรับพระ อ, อริยบุคคลเวลาจะทำผลสมบัติพราสมบัติเข้าฌานพระอรยบุคคลนะเวลาเข้าฌานเนี่ยเข้าได้สองอย่างอันหนึง่งส่งจิตไปที่ตัวอารมณ์นะแล้วเข้าฌานเข้าอารามณูปนิชานก็ได้ได้ฌานหนึ่งสองสามสหหรือจะเข้ามาตั้งอยู่ที่จิตนะแล้วมีนิพพานเป็นอารมณนะ์อันนี้เป็นลักขณูปนิชาน ในขณะที่รู้พระนิพพานนั้นนะจิตเข้าทรงเข้าสู่ฌานเหมือนกันฌนะานหนึ่งามสี่ห้าหกเดแเหมือนกันนะแล้วทําได้แล้วจะต่อเข้านิโรธสมบาบัติก็ต่อจากจุดนี้ก็ไปอีกถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตเราจะหลงไปไหลไปหาอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์ไม่ชัดถ้าเราอยู่ต่างหากจากอารมณ์เราจะเห็นอารมณ์ชัด เมื่อเราอยู่ริมแม่น้ํานะหรือเราอยู่ในเรือเราชะโงกลงไปดูในน้ําแล้วตกน้ําลงไปนะเราจะเห็นสิ่งต่างๆในน้ํ า, นานได้ไม่ชัดเมื่อเราตกลงไปอยู่กับมันซะแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่บนบกหรืออยู่บนเรือเรามองลงไปในา น, าน้ํำเราเห็นอะไรต่ออะไรในน้ํ า, นานได้เยอะแยะเลยเวนะลาที่จิตจะเดินปัญญาก็เหมือนกันถ้าจิตถลําลงไปที่ตัวอารมณ์แล้ว <S <S จะเห็นอารมณ์ได้ไม่ชัดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์นะ <S <S จะเห็นอารมณ์ชัดนะ เพราะจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เนี่ยสาคัญมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตถล่มไปอยู่ที่อารมณ์จะรู้ความจริงของอารมณ์ไม่ได้จะเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เลยพอจิตกับอารมณ์ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันนั้นมันจะกลายเป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าจิตกับอารมณ์แยกกันหรือจิตกับขันแยกออกจากกันนี่มันจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายหรือขันทั้งหลายไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉนั้นตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะทํำวิปัสสนาได้ไหมจะเดินตัญญาได้จริงหรือเปล่า แต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่แล้วไปรู้อารมณนะ์นี่ยมีทริคอยู่ตัวนึงสำคัญมากนะหลวงพ่อใช้ควาว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีคาว่าเป็นกลางอีกอันหนึ่งเมื่อเวลาจิตไปรู้อารมณ์นะจิตก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันว่ามันยินดียินร้ายยังมีความสุขเกิดขึ้นมีจิตก็แอบไปยินดี ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ค่อยเก่งนะเราก็จะเห็นว่าจิตมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าจิตแอบยินดีอยู่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เก่งพอมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นนี่รู้ช็อตที่1รู้ทันว่ามีความสุขเกิดขึ้นช็อตที่2รู้ทันอีกว่าจิตมีความหลงยินดีในอารมณ์อันนั้นนะถ้าคนทั่วไปไม่เคยฝึกเลยก็คืออารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้านักปฏิบัติเบื้องต้น อารมณ์เกิดขึ้นรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นนะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นมีรูปธรรมนามธรรมใดๆเกิดขึ้นก็รนะู้แต่ถ้านักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ ร, รู้อารมณ์แล้วเนี่ยรู้ทันจิตอีกจิตยินดีรู้ทันจิตดีร้ายรู้ทันจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติถัดจากนั้นก็รู้อารมณ์นั่นแหละก็เห็นอารมณ์นั่นแหละเกิดดับหมุนเวเียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะ อารมณ์นั้นเป็นรูปธรรมนา ม, มาทำทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคําว่าอารมณ์อารมณ์นั้นมีหลายอย่างนะอารมณ์นั้นมีสามกลุ่มหนึ่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาอันนี้ทําวิปัสสนาไม่ได้เอาไว้ทําสมถะไดนะ้เช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นปฏิกูลสุภาคิดถึงอาการ32คิดถึงทานคิดถึงศีลที่ทําแล้วอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องคิดเอานี้นะใช้ทําสมถะ ทำวิปัสนาไม่ได้อารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์อย่างที่2เรียกว่าอารมณ์รูปนามเอาไว้ทํำวิปัสนาแต่ถ้าเราไปเพ่งใส่รูปนามนะก็เป็นสมถะอีกแต่ถ้าเรารู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นกลางกลางเนี่ยเราจะเดินวิปัสนาได้วิปัสนาเนี่ยใช้อารมณ์ชนิดเดียวนะคืออารมณ์รูปนามสมถะเนี่ยใช้อารมณ์ได้ครบ3ชนิดอารมณ์มี3มชนิดอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามแล้วก็อารมณ์นิพพาน นะทำสมถะนี่ใชอารมณ์นิพพานไดนะ้สำหรับพระริยาบุคคลนะที่เข้าพระสมบัติจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ปนะุถุชนทำไม่ได้ปนะุถุชนถ้าทำสมถะก็ใช้ใช้อารมณ์บัญญัตนะิคิดพิจารณาอะไรไปจิตก็สงบนะหรือว่าใช้อารมณ์รูปนามนะดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบจิตสงบจิตไปเกาะอยู่ที่ท้องแม้จิตไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์ก็ได้สมถนะ เนี่ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะค่อยๆสังเกตไปค่อยๆดูอย่าใจร้อนนะเบื้องต้นให้แค่รู้ว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตเอาแค่นี้ก่อนนะจนชำนี้ชํานาญขึ้นมาแล้วเนี่ยพอรู้อารมณ์แล้วก็ค่อยรู้ทันจิตว่ามันหลงยินดีมันหลงยินร้ายพอรู้ว่ายินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับอัตโนมัตินี่เรียกดับเพราะว่าเราไปรู้ทันดับเพราะอะไรเพราะสติไปรู้ทันข้าว่ายินดียินร้าย ได้เรียกว่าดับด้วยสตินะจิตก็เข้าความไปสู่ความเป็นกลางด้วยสติต่อมาเราได้เจริญปัญญามากขึ้นมากขึ้นเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นมากเข้ามากเข้านะเป็นกลางแบบด้วยสติมากเข้ามากเข้าสุดท้ายปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวนี่เห็นไม่เที่ยงบางคนก็เห็นอนัตตานะ ร graduate, หรือร <AL> e. ่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่เห็นจะน่ารักน่าหวงแหนตรงไหนเลยรู้แจ่มแจ้งยืนกระทั่งรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์แท้ๆความอยากที่จะให้ร่างกายพ้นทุกข์ไม่มีเพราะรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ทุกเนคือคุณสมบัติของมันเลยรู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมีร่างกายต้องมีทุกข์แน่นอนนั้นความอยากที่จะให้พ้นทุกข์ไม่มีนะความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขก็ไม่มี เขรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นความร้ายเดียงสาเฉยๆเนี่ยพอปัญญาแก่กล้านะเห็นความจริงร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะเนี่ยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นกลางนะเวลาความสุขเกิดขึ้นในร่างกายใจก็เป็นไกลรตัว่าความสุขอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็หายนะไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนะในร่างกายนี้ดูจิตดูใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้นะความสุขก็ชั่วคราว ความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนกุศลอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยนะ โ, โลภโกรดลงก็ชั่วคราวหมดเลยเนี่ยปัญญาแก่กล้าขึ้นก็รู้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวงั้นความอยากจะให้ให้จิตใจเป็นสุขก็ไม่มีแล้วความอยากให้จิตใจพ้นไปจากทุกข์ก็ไม่มีมันเป็นตัวทุกข์นะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดนะีเป็นกลางเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายเป็นกลาง เนี่ยมันเป็นกลางตรงนี้เป็นกลางเพราะปัญญาพวกเราเวลาฟังธรรมะนะบางทีก็ฟังบางทีนะก็เฝือไปอย่างได้ยินแต่ว่าให้รู้ทุกอย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นเคยได้ยินไหมสักว่ารู้สักว่าเห็นพูดแต่ปากไม่สักว่าหรอกจิตนนะ่ะยินดียินร้ายตลอดหรอกนะต้อง ป, ปฏิบัตินะจนกระทั่งมันเป็นกลางด้วยปัญญา มันเห็นเลยธาตุขันทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ไม่ยินดียินร้ายเพราะปัญญานะตรงที่จิตพ้นความยินดียิร้าด้วยปัญญาเนี่ยคือจุดที่เป็นประตูแห่งการเกิดอริยมรรณะนะถ้าบุญบารมีเราพอจิตจะรวมเข้าปัญญาสมาธิรวมลงที่จิตไม่ใช่ไปรวมที่อารมณ์นะรวมลงที่จิตเลยนะรวมลงที่จิตแล้วก็เกิดอริยมรรณขึ้นล้างกิเลสไปนะแล้วก็เกิดอริยผล สอสขณะจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั่นเองนะเกิดระยะผลขึ้นมาแล้วจิตก็ถอยออกจากฌานนะออกจากรักขณูปนิฌานที่ตั้งมั่นที่จิตหนึ่งถอยออกมาสู่ความเป็นคนปกติอย่างนี้แล้วจิตจะทวนกลับไปพิจารณานะว่ากิเลสอะไรตายหมดแล้วกิเลสอะไรยังอยู่อะไรเนี่ยต้องทบทวนดูนะต้องฝึกนะใครฝึกเอา มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมประโยคเนี้แต่ละอันแต่ละอันนะครอบลุมธรรมะไว้มากมายมหาศาลเลยนะหลวงพ่อรวบรวมธรรมะจำนวนมหาศาลเลยย่อลงมาเหลือประโยคเดียวนี้แหละจากหนึ่งประโยคเนี่ยจะขยายออกไปให้กว้างขวา ง, วางเทศกันเป็นวั น, ว, นวันไม่จบเลยก็ได้เนาะ งั้นถ้าเราจำประโยคนี้ไปก่อนนะแล้วค่อยๆไปภาวนาศึกษาปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจค่อยแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆไปลนาำดับไปนะอาไปกินข้าวไป